พวกเราคงรู้จักประเทศภูธานนะละมาก็มีโอกาสได้ไป <c oughs> เมื่อสักสี่เดือนก่อนนะประเทศนี้ไปยากเพราะว่าเขามีโคต้านักท่องเที่ยวปีหนึ่งรับได้ไม่เกินสองหมื่นคนเพราะว่าเขาต้องการควบคุม นักท่องเที่ยวไม่ให้มากเกินไปมันจะไปมีปัญหากับประเทศของเขาแต่ก็เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อจะได้มีเงินตราต่างประเทศก็เคยมีคนนิมนต์ไปตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วภูฐานแต่ว่าก็ไม่ไม่สาโอกาสได้ไป เนื่องจากเขามาีข้อจำกัดอย่างที่ว่าไปเที่ยวนี้ก็ได้ได้ไปโดยคำเชิญของศูนย์ศึกษาภูฐานซึ่งเป็นหน่วยงานในประเทศนั้นก็เลยไม่จำเป็นต้อง มีเงินติดตัวไปมากเพราะว่าเขามีกำหนดว่าถ้าจะไปปูฐานนี่ก็ต้องใช้จ่ายประเทศของเขาเดือนอนวันละประมาณเจ0ดแปดพันเขาเก็บเลยนะเจ0 0แปดพันถ้าไปสิบวันก็เป็นหมื่นเกือบแสนะแต่นี้ไปตามคำเชิญของเขาก็เลยไม่ต้องอก็เลยไม่ถูกเรียกเก็บเงินมากขนาดนั้น อาพูดถานก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจอย่างอย่างที่เรารู้กันเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าเขาก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีของเขาไว้ไว้ได้เยอะไปประเทศนั้นก็เหมือนกับย้อนยุกนะเพราะว่าผู้คนก็แต่งตัวเหมือนกับเมื่อสักร้อย200รอปีที่แล้วแต่งชุดพื้นบ้าน แม้แต่ในหน่วยงานราชการเขาก็แต่งกายประจำชาติคล้ายๆสโรงนะันนะแต่ว่าสั้นกว่าได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนชนลับบทของเขาด้วยการคมนาคมก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถนนก็แค่สองเลน เวลารถนี่เลี้ยวล้อไปตามไปตามภูเขาก็ต้องคอยหลบคอยหลีกกันแล้วก็หลายช่วงเวลาเรามองไปข้างล่างอยู่บนรถเนี่ยมองไปเนี่ยก็เห็นเหวเลยเหวนี่นก็อยู่ไม่ไกลนะจากขอบถนนเท่าไหร่ แต่สวยงามมากธรรมชาติเพราะยังไม่ถูกทำลายไปก็ได้ไปสังเกตตามบ้านเรือนของเขาบ้านเรือนของคนปูธานนี่ก็สวยนะแสดงเห็นว่าชาบบ้านเขาไม่ยากจนเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเงินในกระเป๋าก็จะมีน้อยแต่ว่าเขาก็มีความเป็นอยู่ในเรื่องปัจจัยสี่ดีใช้ได้นะ คนเป็นนี่เป็นสินคนเป็นคนไร้ที่ดินมีน้อยมากดูจากบ้านเรือนก็แข็งแรงแล้วก็สวยงามเป็นบ้านเรือนสองชั้นแล้วเขาก็ชอบวาดรูปประดับประดาโดยเพราะตามขอบหน้าต่างหรือว่าตามคือนะหน้าบ้านนี้เขาจะมีวาดรูปมีลวดลายประดับบางบ้านก็มีรูปนั่นนะรูป คล า, า, ายรูปปลัดขิก อ, อยู่หน้าบ้านเลยเขียนอย่างสวยงามระบายสีอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องสิีบมงคลนะเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์อันนี้มันก็เป็นธรรมเนียมของทุกประเทศนะนะที่เขามีค่านมีเรียกว่ามีความเชื่อแบบนี้แต่ว่าก็มีไม่มากแต่ที่มีมากแล้วก็เห็นอยู่ อย่านั้นอยู่เกือบทุกหลังคาแล้วก็ในสนักงานด้วยของราชการก็คือเป็นภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องชาดกเรื่องหนึ่งชื่อว่าสี่สหายชาดกนี้ก็เป็นชาดกที่ขึ้นชื่อเป็นที่นิยมมากในประเทศพูดฐานสี่สหายนี่คืออะไรสีสายนี่ก็คือนกลิงกระต่าย แล้วก็ช้างเรียกว่าไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะพูดคนละภาษาแล้วก็นิสัยก็คนละเรื่องแต่ว่าก็มาร่วมมือกันร่วมมือกันทำอะไรปลูกต้นไม้นกเนี่ยก็ไปไปขา บ, บาเมล็ดมามาหยอดในดิน แล้วก็กระต่ายก็เอาปุ๋ยมาให้ลิงก็รดน้ำให้กับต้นกล้าส่วนช้างนี่ก็ถือใบไม้ใบใบใหญ่ๆเพื่อจะเป็นร่มเงาให้กับต้นไม้ด้วยวิธีนี้ต้นไม้ก็เจริญงอกงามแล้วก็กลายเป็นป่าขึ้นมาได้อันนี้เป็นความร่วมมือของ ส, สหายซึ่งมีนิสัยต่างกันความสามารถก็ต่างกันอันนี้ก็อาจจะต้องการเน้นเรื่องของความสามัคคีความร่วมมือกันซึ่งเป็นไปได้แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในแง่บุคลิกนิสัยหรือความสามารถอันนี้ก็เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับ สังคมในยุคนี้มากที่จริงก็เหมาะกับทุกยุคทุกสมัยนะแต่ว่าในยุคปัจจุบันมันเป็นข้อเตือนใจที่ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความแตกต่างของผู้คนมันชัดเจนมากขึ้นแตกต่างในเรื่องของนิสัยใจคอเรื่องของความชอบรสนิยมความเชื่อ วิถีชีวิตอาจจะรวมไปถึงเรื่องของฐานะสถานภาพด้วยก็ดูแค่วิชาที่เรียนนะในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ก็มีไม่รู้กี่กี่พันวิชาแสดงเห็นในความสนใจที่แตกต่างกันนะเสื้อผ้าที่หลากหลายหรือว่าช่องทีวี ใต้ทีวีเคเบิลเนี่ยมันมีก็เป็นร้อยเป็นพันเยอะมากอันนี้เป็นเรื่องของความหลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์นะแต่ว่าความแตกต่างนี้มันไม่จาเป็นต้องทาให้คนแตกแยกก็ได้ถ้าหากว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้ อย่างนิทานสีสหายเนี่ยจุดมุ่งหมายคือการปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกป่าเขาก็ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือทำได้ทำตามกําลังอนน์งนี่อาจจะทำหลายอย่างไม่ได้แต่เรื่องของการเอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกนี่เขาถนัดอยู่แล้วกระต่ายก็ดูเหมือนตัวน้อยนะ ไม่น่าจะทำอะไรได้มากแต่ว่าเขาก็สามารถจะไปขนปุ๋ยมาที่จริงขี้ของเขาก็เป็นปุ๋ยได้นะไม่ว่าจะเป็นลิงหรือว่าสุช้างนะก็ยังทำอะไรได้เยอะความแตกต่างนี่มันก็เป็นข้อดีได้เหมือนกันมันไม่ใช่เป็นข้อเสียเดี๋ยวนี้เรา เป็นมองที่ความแตกต่างมากเกินไปเราไปจับจ้องที่ความแตกต่างมากเกินไปโดยที่ไม่ได้ดูความเหมือนกันเท่าไหร่ถ้าเราพยายามมองหาสิ่งที่มีเหมือนกันก็จะร่วมมือกันได้เช่นวัตถุประสงค์มีจุดร่วมเดียวกันในหน่วยงานแม้ว่าจะเราทางานเป็นทีมกันไม่ค่อยได้คนไทยเพราะว่าเราไปอาจจะเราเป็นเน้นที่ความแตกต่างมากเกินไป แทนที่จะมองว่าเออเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันเราไปมองที่ความแตกต่างก็เลยกลายเป็นเหตุให้ทะเลาะ ก, กันได้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นโรคที่ระบาดในแม้กระทั่งในครอบครัวก็คือพอคิดไม่เหมือนกันใส่เสื้อคนละสีก็ทะเลาะ ก, กันอันนี้พราะเราไปมองที่ความแตกต่างเราไม่ได้มองที่ความเหมือนหรือว่าสิ่งที่มีคล้ายกัน จริงๆคนเรานี่ก็มีความแตกต่างกันแค่4ีห้าอย่างนะอีก95้าอย่างเนี่ยเหมือนกันลองสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นในบ้านในที่ทำงานเหมือนกันสัก95สอย่างแต่ว่าแตกต่างกันแค่4ีหอย่างแทนที่จะเอาความเหมือนที่มีมากกว่านี้มาเป็นจุดร้อยเรียงกันให้เกิดความสมัครคีแล้วก็ใช้ความแตกต่างนั้นเป็นเป็นเครื่องช่วย ให้ทำงานได้สําเร็จเพราะว่าการทํางานนี่ต้องอาศัยความสามารถที่หลากหลายบางคนเป็นคนคิดเก่งบางคนทําเก่งบางคนคิดไม่เก่งทําไม่เก่งแต่ว่าให้กําลังใจหรือประสานงานคอยเป็นตัวเจรจาได้เจรจาเก่งเป็นตัวเชื่อมเพื่อนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วพอเอาความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันมาใช้มันก็เป็นประโยชน์ ว่าคนเรานี่นก็มีไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนมันก็มีข้อจํากัดนะไม่มีใครที่สมบูรณ์พร้อมไปทุกอย่างเก่งด้านหนึ่งก็ไม่เก่งอีกด้านหนึ่งฉลาดด้านหนึ่งก็จะโง่อีกด้านหนึ่งเดีย๋ยวนี้การศึกษาเป็นอย่างนี้นะก็คือว่าทำให้เราเก่งบางเรื่องแล้วก็โง่อีกหลายเรื่องเราควรไปคิดว่าโอยถ้าจบปริญญาเอกแล้วนี่จะเก่งทุกเรื่องไม่ใช่นะ การศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เราเก่งในบางเรื่องแล้วก็โง่อีกหลายเรื่องเช่นอาจจะเก่งในเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าอาจจะเก่งในเรื่องของการรักษาโรคแต่เรื่องของจิตใจอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่งเช่นหมอเนี่ยก็มักจะถูกบ่นว่าพูดจา่าคนไข้ไม่ค่อยไม่ค่อยดี นี่ไปอบรมไปช่วยเขาอบรมประเชิญความตายอย่างสงบมาเพิ่งกลับมาเรื่องการพูดกับคนไข้โดยเพพาะการบอกข่าวร้ายหมอนี่มักจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พูดจาทื่อๆหุนหุนบอกคนไข้ว่ามีข่าวจะบอกนะว่าป้าเป็นมะเร็งอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนพูดค่นี้ก็ไปแล้วคนไข้ก็ ตกใจอยู่ได้ไม่ถึง12บสองวันก็ตายอันนี้ก็เรียกว่าเก่งในเรื่องการรักษาแต่ว่าเรื่องการพูดการเจรจาไม่เก่งก็ต้องให้พยาบาลมาช่วยบอกมาช่วยค่อ ย, อยพูดค่อยห ย, ย, ยอดจนคนไข้าทาใจได้อันนี้ก็เรียกว่าเก่งบางเรื่องแต่ว่าบางเรื่องก็จะไม่ไม่ได้เรื่องเลยนะอันนี้เป็นธรรมดามนุษย์เรา ไม่ใช่ว่าจะเก่งทุกเรื่องไอ้เรื่องที่เราไม่เก่งนี่ก็คนอื่นอาจจะเก่งก็ได้ต้องมาเสริมกันเอาความแตกต่างมาเป็นเครื่องเสริมกันก็ทำให้งานการสาเร็จได้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแง่คิดหนึ่งของนิทานสีสหายนะว่าเราจะไปใน้นเรื่องความแตกต่างมากเกินไปเราต้องมองไปที่ว่าเออเรามีจุดมุ่งหมายเหมือนกันหรือเปล่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้าง แล้วเราก็จะพบว่าโอ้เรามีอะไรที่เหมือนกันต้องหลายอย่างรวมทั้งจุดมุ่งหมายด้วยในโรงพยาบาลเราก็อยากจะทําให้โรงพยาบาลนี้มีคุณภาพสามารถที้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงผู้คนพอใจมีความสุขอันนี้คือจุดมุ่งหมายที่มีเหมือนกันคราวนี้เราก็ก็เอาความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันนี่แหละมาเป็นเครื่องเสริมกันก็สามารถจะทำงานให้สําเร็จได้ ว่างานจะสาเร็จได้ต้องอาศัยความสามารถที่หลากหลายการคิดการทาการประชาสัมพันธนะ์การสร้างทนะีมเวิร์กเป็นต้นที่จริงเรื่องของความสามาัคคีเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมธรรมสมังคีธรรมะสมังคีคือว่าธรรมะที่ร่วมมือกันความสามาัคคีของธรรมะ ธรรมะเนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อนี่มันก็เหมือนคนนะก็คือว่ามีจุดเน้นจุดเด่นไม่เหมือนกันซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนไปคนละทางอย่างเช่นศรัทธาเนี่ย ก, กับปัญญาเนี่ยจะเป็นจะมีลักษณะแตกต่างกันลองนึกถึงคนที่มีศรัทธามากเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้ปัญญาเท่าไหร่บางทีก็กลายเป็นงมงายไปเลย แต่คนที่มีปัญญามากก็อาจจะเป็นคนที่หวดเก่งนะเราก็ไม่ค่อยเชื่อใครเท่าไหร่ก็จะอา จ, อาจดูเป็นเหมือนกับคนทนงตัวและบางครั้งเนี่ยก็ทำอะไรไม่สําเร็จเพราะว่าสงสัยไปหมดหรือว่าบางทีก็ถึงขั้นระแวงแไม่ค่อยเชื่อใจใครง่ายๆก็เลย ทำอะไรไม่ค่อยสําเร็จธรรมะก็เหมือนกันนะศรัท ธ, ธากับปัญญาเนี่ยแต่ว่าสามารถจะร่วมมือกันได้ในหลักทำหมวดหนึ่งเราเรียกว่าพระห้าอินทรีห้าพระห้านี้ถ้าใครมีครบเนี่ยก็เป็นผู้มีกําลังมากสามารถจะทําสิ่งต่างๆที่ยากให้สําเร็จได้พระห้านจะมีอยู่ห้าอย่าง แบ่งเป็นสองคู่นะก็คือศรัทธากับปัญญาแล้วก็วิริยะกับสมาธิแล้วก็มีสติอยู่ตรงกลางสองคู่นี้เนี่ยก็เรียกว่าไปคนละทางนะมองมองในแง่นึ่ก็ไปคนละทางศรัทธาเนี่ยกับกับปัญญาแต่ถ้ามาร่วมมือแล้วกลายเป็นดีนะคือถ้ามีศรัทธามากเนี่ย ไม่มีปัญญาก็งมงายก็ต้องมีมีปัญญาเข้ามาประกบเข้ามาทวงหรือว่าถ้ามีปัญญามากก็อาจจะทาอะไรไม่ค่อยสำเร็จก็ต้องมีศรัทธาเข้ามาอย่างพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมบางคนก็เป็นคนที่ฉลาดแนละ้วก็จะตั้งคาถามตั้งคาถามโนตั้งคาถามนี่เสร็จแล้วก็เลย ไม่ปฏิบัติสัทีหรือปฏิบัติด้วยความไม่รู้สึกเต็มที่แต่ถ้ามีศรัทธาสักหน่อยว่าเออครูบาอาจารย์ก็อาจจะมีประสบการณ์ก็อาจจะสอนถูกก็ได้นะั้นเราลองปฏิบัติ ด, ดูถึงแม้เรายังไม่เห็นด้ว ย, วยตัวเองแต่เราลองปฏิบัติ ด, ดูศรัทธาคือเชื่อครูบาอาจารย์สักหน่อยหรือว่าเชื่อพระพุทธเจ้าว่าท่านคงไม่ผิดทางแล้วมั้งพอมีศรัทธาแล้วทําให้เราลองปฏิบัติถึงแม้่เรายังสงสยัยเรายังไม่แน่ใจเรายังมี มีบางอย่างที่ยังหาคำตอบไม่ได้แต่เราก็ปฏิบัติไปก่อนด้วยศรัทธาศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในพระพุทธองค์ก็ทำให้สามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็เห็นผลได้ในที่สุดถ้าคนที่ไม่ไม่มีศรัทธานะ ตั้งคำถามไปทุกเรื่องเขาก็อาจจะทำอะไรไม่ได้สําเร็จเลยสักอย่างนะเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้สําเร็จแล้วก็ถูกทางนี้ก็ต้องมีทั้งศรัท ธ, ธาและปัญญาถ้ามีศรัท ธ, ธาแต่ว่าไม่มีปัญญาก็ถูกหลอกหรือว่าไปคนละทิศคนละทางได้นะคนไทยมีคนไทยทุกวันนี้มีความงมงายเยอะก็เพราะาไม่ค่อยใช้ปัญญาเท่าไหร่ไม่ค่อยใช้ความคิด พรว่าคิดแล้วปวดหัวมักจะพูดว่ามีคนมักจะพูดว่าบอกมาเลยว่าจะให้ทําอะไรนะบางทีก็ลูกน้องก็บอกเจ้านายเจ้านายบอกมาเลยให้ทำอะไรคําถามคําพูดอบบ น, นี้มีเยอะบอกมาเลยทาอะไรเพราะไม่อยากคิดด้วยตัวเองคิดแล้วปวดหัวนะอันนี้ก็เรียกว่าศรัทธานําแต่ว่าปัญญาไม่ค่อยมีก็อันตรายได้เหมือนกันฉะั้นศรัทธากับปัญญานี่ถ้ามันช่วยกันแล้วเนี่ยดีนะ พุทธศาสนาจะมีจะเน้นมาเรื่องศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาวิริยะกับสมาธิก็เหมือนกันนะวิริยะเนี่ยเป็นพวกขยันแต่ขยันนี่ฟุ้งซ่านง่ายบางทีกลายเป็นจับจดอยู่นิ่งไม่ได้คนที่ชอบทำงานเนี่ยเวลามาปฏิบัติแบบนเนี่ยจะจนอยู่ไม่ค่อยได้จะรู้สึกดต้องต่อสู้กับตัวเองมากเพราะว่าอยากจะทำโน่นทานี่ คนคนคนจีนเนี่ยที่ขยันทำงานเนี่ยเวลากเกษียณนี่กเกษียณไม่ได้นะก็ต้องทำจนอายุเจ็ดสิบแปดสิบทจนตายก็มีเพราะว่าอยู่เฉยๆไม่เป็นอันนี้เพราะขยันมากจนกระทั่งอยู่นิ่งไม่ได้ก็เป็นพวกที่ขาดสมาธิเวลาเจ็บเวลาป่วยนี่ก็กระสับกระส่ายมากเพราะว่าไม่ได้ทำงานอยู่นิ่งไม่เป็นอันนี้ก็ต้องมีสมาธิเข้ามาประกอบ วิริยต้องมีสมาธิแต่ถ้าสมาธิมากไปมันก็จะเฉยนะไม่อยากทำงานไม่อยากจะรับผิดชอบงานการมันหุ่นวายคิดแต่คิดแต่อยากจะเข้าห้องพระทําสมาธิคิดอยากยาเปลีกตัวมาเข้าวัดปฏิบัติทำอย่างเดียวงานการก็เลยไม่รับผิดชอบแบบนี้ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยต้องมีวิริยะเข้ามาประกอบนะ จะช่วยทําให้สมาธิเนี่ยไม่ใช่สมาธิแบบทําให้หลงสมาธิแบบเห็นแก่ตัวนะนันวิริยะกับสมาธินี่ก็เป็นถึงแม้ว่าจะมีนิสัยคนละอย่างจุดเน้นคนละคนละทางแต่ว่าต้องช่วยกันต้องมาร่วมมือกันให้ได้พอดีพอดีหนักวิริยะไปก็ไม่ดีหนักสมาธิไปก็เฉื่อยไปไอ้ตัวที่จะช่วยทําให้พอ ด, พอดีพอดีนะัคือสตินะ สตินีอ่อาจจะไม่ได้มีจุดเด่นเก่งกล้าหรือว่าฉลาดเหมือนปัญญาแต่ว่าก็สามารถทำให้ปัญญานั้นเนี่ยไปถูกทางได้เพราะมีศรัทธาก็มาช่วยสตินี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมทำให้เกิดความพอดีทำให้ศรัทธาไม่มากไปแล้วก็ทำให้ไม่ไม่หนัก ปัญญาในตอนเดยกกันก็ศรัทธาสมาสติก็ช่วยทำให้วิริยานี้พอดีพอดีหรือว่าทำให้สมาธินี้พอดีพอดีสตินี้เป็นตัวเชื่อมนะเป็นทั้งตัวตัวกระตุน้นแล้วก็เป็นทั้งเบรกนะเวลาอารมณ์รุนแรง สติก็คอยเตือนคอยยั้งว่าช้าๆหน่อยเบาๆหน่อยแต่เวลาเฉยพอมีสมาธิมากไปสติก็จะไปดึงเอาวิริยะมากระตุ้นว่าเอาตอนนี้ต้องขยันทา ง, งานแล้วต้องเรียกตื่นนะอย่าอามัวแต่นั่งแต่นั่งสมาธิหรือมัวแต่นอนหลับอย่างเดียวสตินี่เป็นตัวตัวช่วยทําให้เกิดความสมดุล อันนี้เรียก่าฮสหายนะฮสหายที่จะช่วยทําให้การปฏิบัติเนี่ยหรือการทํางานเนี่ยมันสําเร็จได้ทําให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่นะั่นนี่แล้วเรียกว่าพละห้าหรืออินทรีห้าอินทรีในที่นี้แปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ธรรมะเนี่ยเราลองดูนะมันจะมีจุดเด่นจุดเน้นคนละอย่างที่ต้องร่วมมือกันถ้าจะเอาแต่อันใดอันหนึ่งก็ อาจจะไปคนละทางได้หรือไปหรือว่าเขาเรียกว่าเกิดความผิดเพี้ยนขึ้นมาได้ยุติอย่างเช่นความสันโดษสันโดษนี่ก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งในพุทธศาสนาคือความพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้สันโดษนี่ก็เป็นเป็นจุดเด่นหนึ่งของชาวพุทธแต่ก่อนก็คือว่าถึงแม้ว่าจะยากจนถึงแม้ว่าจะมี ปัจจัยสีน้อยแต่ก็มีความสุขได้ชาว บ, บ้านสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้อยู่น้อยกินน้อยนะไม่ได้ไม่ได้มีความโลภอะไรก็มีความสุขไม่ค่อยไปโลภภาษาเท่าไหร่แต่ว่าสันโดสนี่ถ้าสันโดดแบบไม่มีอีกตัวหนึงเข้ามาประกบนี่ก็อาจจะเพี้ยนได้ตัวนั้นก็คือวิริยะคือความขยัน สันโดษเนี่ยถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นคนเฉ่ยเนื่อยทํางานวันต่อวันเรียกว่าตํำข้าวสารกรอกหม้อตำข้าวสารกรอกหม้อหมายความว่ากินวันนี้ก็ค่อยตําวันนี้นะประเภทว่าจ ะ, จะตํำมาไว้ล่วงหน้าไม่ทําอ่ะถ้ากินวันนี้ค่อยตําวันนี้ทํางานได้เงินมายี่สิบบาทอยู่ได้สองวั น, วนก็ไม่ไปทํางานแล้วทอนี้ ก็นั่งเล่นนอนเล่นพอเงินหมดเมื่อไหร่ค่อยไปทํางานได้เงินมายีสิบบาทเอาหยุดมีปัญหามากนะสมัยก่อนพวกโรงงานพวกนี้เนี่ยจะจ้างคนไทยก็ไม่ค่อยได้มีคนมาทํางานต่อเ น, นื่องเพระได้เงินไปแล้วก็กกหายไปเงินหมดเมื่อไหร่ค่อยมาทํางานใหม่อันนี้เป็นสันโดษที่ไม่ค่อยถูกทางเท่าไหร่เพราะขาดสิ่งที่เรียกวิริยะมามาประกอบมาทวงดุล คือสันโดษในพุทธศาสนาเนี่ยมีเอาไว้เนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นนะสันโดษแปลว่าใช้น้อยกินน้อยแล้วก็พอใจสิ่งที่มีเมื่อหามาแล้วก็ยินดียี่สิบาทสามสิบาทก็ตามก็ยินดีไม่เป็นทุกข์ในเวลาเดียวกัน สันดุก็แปลว่าใช้น้อยการที่เราใช้น้อยเนี่ยก็ทำให้เรามีส่วนเกินเหลืออยู่เยอะเมื่อมีส่วนเกินเหลื อ, เย อ, อ, อยเยอะก็เอาไปทำประโยชน์ท่านพุทธศาสนาจะเน้นว่าสันโดษต้องประกอบไปด้วยความเพียรก็คือขยันทำงานขยันทางา น, า น, งานได้เท่าไหร่ก็ตามฉันก็พอใจแต่ก็ท ร, รมดาว่าถ้าขยันทางานก็ต้องได้ก็ต้องมีผลผลิตเยอะ แต่ว่าใช้น้อยบริโภคน้อยแล้วที่เหลือไปทำอะไรที่เหลือก็ไปไปเป็นประโยชน์กับส่วนรวมหรือไม่ก็มีเวลาเหลือก็ไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมคนสมัยนี้เนี่ยหมดเวลาหมดไปกับการทำมาหาเงินแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไป อยู่กับครอบครัวไม่มีเวลาเที่ยนพักผ่อนไม่มีเวลาเที่ยนนั่งสมาธิด้วยซ้ำหลายคนอาจจะมีเวลาแต่ว่าพอหาเงินมาได้ก็จับจ่ายใช้สอยเวลาก็หมดไปกับการจับจ่ายใช้สอยเที่ยวห้างดูหนังดูโทรทัศน์เล่นเกมวันวั น, นึงไม่มีเวลาเหลือไอ้สิ่งที่ควรทำก็ไม่ได้ทำเช่นการมีเวลาอยู่กับครอบครัว หรือว่าการศึกษาหาความรู้รวมทั้งการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนพัฒนาตนไม่ต้องพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือส่วนรวมแต่ถ้าเราเป็นคนใช้น้อยกินน้อยเราไม่ไม่โลภมากเนี่ยก็พอมีสันโดษแทนที่จะใช้เวลามากมายในการทำมาหากินในการทำมาหาเงินก็ใช้เวลาพอประมาณ แล้วเวลาที่เหลือทำอะไรเวลาที่เหลือก็ไปทาประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะไปช่วยวัดวาอารามไปช่วยชุมชนหรือว่ามีเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อหาเงินมาได้ก็ไม่เอาเวลาเนี่ยเอาเงินที่ได้ไปซื้อโน่นซื้อนี่ไปเสียเวลาการบริโภคเวลาก็เหลือเยอะนะถ้าสันโดษถ้ามีสันโดษจะมีเวลาเหลือเยอะเพราะว่า ไม่บ้า ง, งานไม่บ้าการทำมหากินแล้วก็ไม่หมกมุ่นกับเรื่องการเสพการบริโภคจะมีเวลาเยอะเอาคนภูฐานเนี่ยก็จะมีจุดเด่นตรงนี้มากคือว่าเขาก็ทำงานหนักนะแต่ว่าเขาก็มีเวลาในการที่จะสังสรรค์พูดคุยกันในชุมชนมีเวลาที่จะมาโศกันเรื่องเกี่ยวชุมชนหมู่บ้าน แล้วก็มีเวลาไปไปปฏิบัติธรรมบางทีไปปฏิบัติธรรมไปจาลิกนี่เป็นเดินเดือเลยนะไปจาลิกนี่เขาก็ไปเนาะเดินกันเดินเท้ากันบางทีไม่ได้เดินอย่างเดียวนะใช้วิธีกราบแบบที่ว่าอัดถังขับปดิษฐ์ก็คือว่าไม่ใช่เป็นจางขปบนะปฏิบตินะเบญจังขับปฏิษฐ์นี่แค่ห้าแต่องค์เขานี่ต้องเอาตัวแนบกับพื้นทุกส่วนนะ ของร่างกายนี้ก็แนบกับพื้นเดินแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดิน3ก้าวแล้วก็ล้ ม, ล, มล้มตัวไปนอนวัดพื้นใหม่ลุกขึ้นมาเดินอีก3ก้าวแล้วก็ลงไปนอนวัดพื้นอันนี้เลยว่าเป็นการการกราบแบบอัฐถังขปดิษหรืออัสดางขปดิษคือมี8จุดในร่างกายที่ที่สัมผัสกับพื้นดินไม่ใช่แค่5้าเบญจังขปดิษนี่้5 แต่ทางก็ไปที่นี้8นะก็คือนอนวัดพื้นไปเลยแล้วเขาก็มีธรรมเนียมแบบนี้คือว่ามีเวลาปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมทำมหากินก็มีเวลาพอประมาณนะไม่ได้คิดว่าต้องใช้เวลาไปการทุ่มเทหาเงินหาทองนะแล้วพอได้มาเขาก็ใช้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็เอาไปช่วยเหลือส่วนรวม อันนี้ก็เป็นสันโดษที่ตรงกับหลักพุทธศาสนาคือสันโดษที่มีวิริยะเข้ามาประกอบอันนี้เราเป็นเป็นสองสหาหองที่ต้องช่วยกันเดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจว่าพอเราไม่มีเรื่องวิริยะเข้ามาเนี่ยสันโดษก็กลายเป็นความขี้เกียจได้คือว่าทำงานนิดหน่อยพอให้มีเงินเสร็จ แ, แล้วก็หยุดนั่งเล่นนอนเล่นคนก็เลยมองว่าสันโดษมันทำให้ขี้เกียจ คนไทยก็เข้าใจแบบนี้กันเยอะโดยเพราะคนที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อสมัยหนึ่งเนี่ยก็เลยมีการห้ามเรื่องอะ ห, ห้ามเรียกขอร้องขอร้องพระไม่ให้สอนเรื่องสันโดษจอม บ, บุญสลิดนี่ปฏิวัติได้นีนต้องการให้ประเทศไทยมีการพัฒนาเรียกว่าระบอบปฏิวัติมุ่งพัฒนาประเทศประมาณสังปีสองพร้สีก็นิมนต์พระมาทั้งประเทศ ก็ไม่ใช่นิมนต์แต่ว่ามีคําสั่งขอร้องพระทั้งประเทศว่าอย่าสอนเรื่องสันโดษเพราะว่าจะทําให้ประเทศไม่พัฒนานาเคยมีคําสั่งนี้นะแล้วพระก็เชื่อทําตามแล้วคนไทยก็เลยกลายเป็นว่าขยันหาเงินกับเป็นการใหญ่หรือไม่ก็มุ่งแต่ทํามาหาเงินมีคำขันว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะ สมัยเด็กๆจะมีคำขวัญงานคือเงิ น, งนคเนนคืองานบรรดาสุขคือไอคนไทยนี่คือยันทำงานจะได้มีความสุข <c oughs> ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยคือว่าทำงานกันใหญ่แล้วก็พอได้เงินมาก็เสพก็เที่ยวแต่ว่าไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีไม่ค่อยยินดีสิ่งที่ได้ก็เลยไม่มีความสุขไม่มีเวลาว่างกับครอบครัวไม่มีเวลาที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของตัว ธรรมะนี่มันต้องตต้อต้อองงเสริมกันนะสันดุกับวิริยะสันตุกับความเพียรวิริยะเนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันธรรมะบางอย่างนี่เขาก็เหมือนกับเรือนนะคือส่งกันเป็นทอดทดทอดทอ ด, ทอ ด, ทอดอยุติธ่รมง่ายๆศีล ส, สมาธิปัญญานี่ก็เหมือนกันเรารักษาศีลเนี่ยเพื่อให้จิตใจสงบเพราะว่าเมื่อเรารักษาศีลมันก็ไม่วุ่นวายไม่ว่าศีลห้าศีลแปด สี่ห้าก็สงบน้อยหน่อยสี่แปก็สงบมากขึ้นเพราะว่าข้อที่สามอีกสามข้อเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทําให้ชีวิตเรียบง่ายไม่ไปหลงกับเรื่องของวัตถุความบันเทิงก็เป็นเรื่องสันโดสนั่นแหละนะสี่ข้อที่6กนะก็ไม่ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องอาหารมื้อเย็นสี่ข้อที่เจ็ดก็ไม่ไป วุว่นวายก็เรื่องความบันเทิ ง, ลงหลงไหลความบันเทิงเม่ว่าการประดับประดาการฟ้อนรำการลัดเล่นการการแต่งตัวแล้วข้อที่แปก็คือไม่ให้เพลิดเพลินไปกับเรื่องการนอนนะอันนี้ก็ทําให้จิตใจสงบเมื่อสงบแล้วเนี่ยมันก็ทําให้การภาวนาเพื่อเกิดปัญญาเกิดขึ้นได้ ถ้าเร า, เร า, เ, รารเรารักษาศีลเรารักษาไม่เป็นนะก็เกิดความหลงตัวลืมตน ว, ว่าชั้นศีลแปดชันวิเศษกว่าคนถือศีลห้านะเกิดความหลงตัวลืมตนเกิดกิเลสพอกพูนขึ้นมาได้ซึ่งไม่ใช่จุดมุ่งหมายของศีลจุด ม, มุ่งหมายของศีลคือว่าเพื่อให้เกิดสมาธิให้ใจสงบชีวิตไม่บุนวายเสร็จ แ, แล้วก็จะได้เพื่อต่อการภาวนาให้เกิดปัญญาถ้ามีสมาธิเราจบเท่านั้นนี่ก็ไม่ถูกนะ มีความสงบสุขแล้วก็จบไม่ใช่ต้องทำต่อคือทำวิปัสสนาให้เกิดปัญญาขึ้นมาเข้าใจสัจธรรมความจริงจนปล่อยวางได้นี่นะี and, and ่ศีลเนี่ยสมาธิปัญญาก็เหมือนกับสามสาขายังไงคือว่ามีจุดเด่นคนละอย่างก็ช่วยกันไปศีลนะก็ส่งเสริมสมาธิสมาธิก็ส่งเสริมปัญญาพอมีปัญญาแล้วปัญญาก็ไปส่งเสริมสมาธิแล้วก็ปัญญาก็ไปส่งเสริมศีลให้ เข้มแข็งมั่นคงมากขึ้นอันนี้เราต้องเข้าใจหลักเข้าใจจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมมันจะมีคำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติคือการปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมก็คือทำปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อเกิดสิ่งนี้เพื่อเกิดสิ่งนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ไปผิดทิศผิดทางอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันของธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อบางทีก็ร่วมมือพร้อมๆกัน เช่นพระห้าบางทีก็เหมือนกับการส่งไม้ผลัด<ๆ>เช่นศีลสมาธิปัญญาส่งไม้ผลัดกันไปเป็นทอดๆแลก็กลับมาใหม่นะอันนี้ก็ธรรมะสมังคนะีอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะลักษณะเด่นของธรรมะแต่ละข้อก็ทำให้การปฏิบัติธรรมประสบความสำเร็จชีวิตก็จเจริญก้าวหน้าเหมือนกับการทำงานเป็นทีมเวิร์กเราก็ต้องรู้จักจุดเด่นของเพื่อนเราแต่ละคนแล้วก็เอาจุดเด่นนั้นเนี่ย ซึ่งไม่เหมือนกันของแต่ละค น, นยังเอามาเป็นพลังเพื่อเสริมกันให้การทํางานสําเร็จนใเรื่องสีสหายนี่ก็จะเป็นแง่คิดได้ทั้งในแง่าการทํางานเป็นคณะเป็นหมู่หรือว่าการปฏิบัติธรรมการระดมธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อหรือว่าใช้ธรรมะแต่ละข้อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดความสุขเพื่อพ้นจากความทุกข์เอาแล้วก็พูดกันเท่านี้ เ, เดี๋ยวญาติโยงก็จะ ขอศีล